ต อ, ตอบคำถามวันที่ส0สตุลาคม2559 ก, ก, การาบ้บนเมืสการพระคุณเจ้าสงมเณนคุณไม่ชีกัลยามิตรทุกท่านนะก็นั่งสบายสบา ย, บายเนาะช่วงนี้เป็นึืนพิจารณามรนานุสติเมื่อกี้พี่แอดก็รายงานว่าลุงเสียชีวิตพรุ่งนี้เช้าก็ต้องกลับบ้าน เกิดแก่เจ็บตายเนาะแล้วก็คนตายก็ตายไปไปทำหน้าที่ใหม่พวกคนอยู่ก็ทำหน้าที่เราต่อไป mm. ก็มีบางคำถามนะแต่ก่อนจะถึงคำถาม mm. เดี๋ยวพระครูก็พูดอะไรหน่อยหนึ่ง mm. เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะสหประชาชาติเนี่ยประชุมนัดพิเศษนะสะดวดีในหลวงของเรา พ่อกูก็รับรู้บางอย่างเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรนะองค์ในหลวงของราชได้สามปีพ่อ ก, กูค่อยเกิดทีนี้สหประชาชาติตั้งขึ้นมาแค่ปีเดียวในหลวงของเราก็ขึ้นของราดนะแล้วก็ ประธานในที่ประชุมเขาก็สะดุดีในหลวงนะนะทั่วโลกเขารู้ว่าในหลวงเรายิ่งใหญ่มากประธานแล้วก็เลขาแล้วก็ทุกคนยืนไว้อะไรทีนี้ประธานของแต่ละโซนโลกนี้แบ่งออกเป็นห้าหโซนะ่ะก็ขึ้นมาสะดุดีแต่ละท่านพูดแบบบางอย่างเราไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็คนสุดท้ายคือทูตประจำสารประชาชาติของ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้หญิงคนนี้พูดยาวหน่อยหนึ่งนะคือเขาพูดตั้งแต่ในหลวงเนี่ยประสูติที่อเมริกานะโรงพยาบาลไหนแล้วก็สถานที่ที่พระองค์ทรงพักอยู่ที่นว่นนะตอนนี้เขายังรักษาไว้นะ คือเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนหลายคนแล้วทีนี้เขาก็ยังรักษาเหมือนเป็นมีข้อมูลของในหลวงเราอยู่ในบ้านนะคนทั่วโลกไปที่เมือง น, นี้ก็ไปถ่ายรูปไปอะไรแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าภูมิพลสแควร์คือเหมือนสวนหย่อมเล็กๆอยู่ข้างถนนใหญ่เลยนะคนไทยเราก็ไปทำไ อ, อ้ป้ายที่ระลึกอะไรเนี่ยใครก็ไปถ่ายรูป ทีนี้เขาบอกว่าในหลวงตอนพระองค์พระชนพรรษา32มสิบ ร, รษาเนี่ยกลับไปอเมริกานะแล้วกลับไปดูโรงพยาบาลแล้วดูที่พักอะไรเนี่ยแล้วก็ไปพูดอยู่ในสาประาชาติมีผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ในหลวงว่าอะไรคือสั ญ, ญลักษณ์ของท่านถ้าพูดปุ๊บเนี่ยทุกคนจะแซ่ซองสัรละเสริญ พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ทุกคนแท้สองสรรเสริญแต่ต้องการให้ทุกคนพูดถึงพระองค์ทำอะไรเป็นเป็ น, ป, น, ป, นประวัติศาสตร์โลกนะและเป็นประศัตรองค์แรกแล้วก็องค์เดียวที่สหประชาชาติเนี่ยเคยให้รางวัลสูงสุดเอ่อ l o p m e n t ปเมนตการพัฒนามนุษย์นะ ทั่วโลกสะดวดนะีทีนี้ในเจ็ดสิบปีที่พระองค์อยู่เจดสิบปีของลาดเนี่ยนะทำโครงการทั้งสี่พันกว่าโครงการนะไม่มีใครทำได้นะแล้วก็ทั่วโลกเขายอมรับที่วันนั้นพระครูก็ พูดว่าปราธา์ที่ผดีปูตินคนนี้เนี่ยเขาเขาเาแข็งมากนะเขาบอกในโลกนี้เนี่ยเขาไม่เคยแพ้ใครเขาแพ้คนเดียวคือในหลวงประเทศไทยนะในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นมหาลาชโดยไม่ต้องไปลุกลานใครไม่ต้องไปต่อสู้ใครแต่เป็นมหาลาชในดวงใจปวงชนชาวไทยทุกคนนะพวกเราโชคดีมากบุญเยอะมากเกิดมาในยุคนี้ นะแล้วก็จากนี้ไปประมาณหนึ่งปีแล้วนี่ยก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ละก็กลายเป็นแผ่นดินใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าพระ อ, องค์เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสั ต, ตย์กตัญญูความเพียร น, นะแล้วก็ มีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแล้วก็มีปัญญาคุณรู้ทุกเรื่องถ้าพระองค์อยากรู้เพราะว่าถ้าเราใส่ใจนะเรามีเมตตาอยากจะช่วยเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็ค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจฟังก็ไม่อยากฟังเลยอันนี้ต้องเอาพระองค์เป็นแนวทางนะชีวิตเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ย ถ้าเราทำอะไรในหลวงเรานี่เจ็สิปีไม่เคยทำในเล่นๆเลยนะอัจฉริภาพของพระองค์นะเมื่อกี้ก็เอาข่าวออกมาเป็นอัครศิลปินระดับโลกนะแซกโซโฟนอะไรพวกนี้เนี่ยไปร่วมแสดงอยู่ที่นิวยอร์กอะไรพวกนี้พวกที่เขาดังๆระดับโลกและชื่อพระองค์ก็ถูกบันทึกไว้อ ระดับโลกเป็นคนที่ยีเจหรือยังไงพระกูจําตัวเลขไม่ได้นะอันนี้ทางดนตรีทางกีฬาก็เล่นเดือใบจนได้เหรียญทองนะีมันพิสูจน์ว่าพราะองค์ทําอะไรไม่เคยทำเล่นเล่นสักทีหนึ่งมุ่งมั่นนะทั้งเรื่องจิตวิญญาณพระองค์ก็เบี่ยงเพียร น, น, นะทั้งเรื่องข้างนอกเนี่ยพระองค์ทําหน้าที่ไม่มีจุดบกพร่องแม้แต่หนึ่งอย่างนะซึ่งทั่วโลกสรรเสริญนะเป็นคนเดียวองค์เดียวเท่านั้น ที่ได้รางวัลจากสหประชาชาติสูงสุดในการพัฒนามนุษย์นะพวกเราเกิดมามีพ่อหลวงอย่างนี้ถือว่าพวกเราบุญเยอะแล้วก็บุญเยอะมากเลยได้เจอคําสอนพุทธเจ้านะบุญบุญเยอะมากอยู่ที่ว่าเราจะประคองบุญนู่นี้ยังไงต่อต่อต่อบุญไหมนะอย่าง น, น้อยก็เอาแบบอย่างที่ในหลวงเราทําให้เห็นนทําอะไรอย่าทํำเล่น ทำจริงจังแน่นอนทำอะไรก็ช่างมันต้องเหนื่อย อ, อย่าพูดว่าเสียสละเลยนะพระ อ, องค์ไม่ได้เสียสละพระ อ, องค์ทําในสิ่งที่ควรทํนะทาในสิ่งที่มีความรักประเทศชาติรักประชาชนจริงๆนะไม่ใช่ทําแค่เอาเงินเดือนเอาหน้าเอาตานะแล้วก็ทําไป อ, าอย่างนั้นแหละแต่ในหลวงเราไม่ใช่อย่างนั้น ก็จากนี้ไปบ้านเมืองก็ขาดเสาหลักนะคนไทยก็ต้องคนที่อยู่เนี่ยต้องรับผิดชอบบ้านเมืองร่วมกันนะต้องจำคำพระองค์ว่ารู้รักสามัคคีแต่ก็ไม่รู้สามัคคีได้แค่ไหนนะถ้าพระองค์อยู่เนี่ยเกิดเหตุอะไรก็ช่างต่างชาติเขาชมนะเมืองไทยเนี่เกิดเพศภยัยธรรมชาติเกิดการเมืองเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเนี่ยในหลวงเราเอาอยู่ทุกครั้ง แต่ตอนนี้ใครจะมาจัดการให้พวกเราล่ะถ้าคนไทยเรายังทะเลาะกันแบบนี้นะก็พระครูก็ตกลงห้าธันวามหาราศที่จะถึงเนี่ยที่พระกูบอกว่าไม่ใช่อาจจะถ้าในทางการเมืองทางเปลี่ยนผ่านของแผ่นดินเนี่ยต่อไปก็ห้าธันวานเนี่ยคงไม่ใช่วันพ่ออีกต่อไปนะ แต่ถ้าห้าทันวานี้ยังอยู่นะเหมือนมันปิยะอะไรยังอยู่แต่ว่าไม่ใช่วันพ่ออีกต่อไปนะก็เราจะไม่ผ่านโอกาสนี้เพราะครูก็มีคิดว่านะก็ทําให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเราพยายามจะเร่งซ่อมศาลานี้ให้เสร็จทันแล้วก็ถือโอกาสนะฉลองศาลานี้เพื่อเป็นแล้วก็ถือโอกาสบวช บทภิกษุสามเณรคุณเมชีแล้วก็บทชีพามแล้วก็บวทถือศีลห้านะถือศีลห้าก็คือคนยังไปทํางานข้างนอกอยู่เนี่ยไอเรื่องเรื่องไว้ทุกข์เนี่ยใครก็ไว้ได้ใส่ชุดดาใส่ชุดขาวหรือมีลิบินดําอะไรเนี่ยอันนั้นก็ดีนั่นคือคนทั่วไปแต่ถ้าสบัยในหลวงแล้วพว่อครูว่ามันน้อยไปนะทุกคนต้องปรุงผมถ้าบวทถือศีลห้าปรงผมไม่ต้องโกนคิ้ว นะคือสั ญ, ญลักษณ์ว่าต้องใช้โอกาสนี้นะเรื่องตรงผมนี่ยากมากโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดชีวิตไงนะทีนี้ถ้าเราทำได้เนี่ยแต่ถ้าตอนนี้เราไปทำอยู่สังคมกรุงเทพข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกมันกลัวแต่ถ้าเราปรงวันที่ห้าธันวาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวทุกคนไม่กล้าพูดถามว่าปลงผมทำไม ถวายในหลวงเขาเขาพูดต่อไม่ได้แล้วเป็นใช้อุบายเนี่ยลดละเลิกกิเลสเราแล้วก็อัตตาเรานะก็เป็นว่าแล้วแต่ทุกคนจะเหมาะอย่างไรนะจะทำได้แค่ไหนแต่อย่างขั้นต่ำสุดถ้าเราคิดว่าเรารักประเทศชาติรักในหลวงเราจริงๆพวกคูบอกอย่าพูดเฉยๆทำนะ ก็มีคุณหมอท่านหนึ่งยังไม่เอ่ยชื่อเพราะทุกอย่างยังไม่แน่นอนนะปกติห้าทันวานี่คลินิกคุณหมอเนี่ยจะถอนฟันฟรีแต่ปีนี้บางทีถ้าคุณหมอโกนผมด้วยเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่ถอนฟันฟรีเนี่ยคือรักในหลวงจริงๆไม่ใช่ทําแค่ค่านิยมนะก็ก็ไปพิจนารณานะโอเคนะก็มีคำถามพลังกิตคืออะไร พลังจิตคือพลังจิตโอเคไหมพลังจิตคืออะไรพลังจิตก็คือพลังจิตนะไม่ใช่พลังร่างกายไม่ใช่พลังลมนะพลังของจิตเรียกว่าพลังจิตการเข้าจิตคือการใช้พลังจิตใช่หรือไม่อย่างไรนะการเข้าจิตคือการเข้าไปในจิตนะ ส่วนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะใช้พลังจิตมาทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะอย่าตั้งใจคิดแบบตักกะว่าเราจะควบคุมมันเราจะสั่งให้มันทํานวนทนํานี่นะอย่าเอาสมองโง่โงเราไปสั่งจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่เรามีหน้าที่อะไรเข้าจิตการเข้าจิตอะไรเข้าไปในจิตเห็นไหมสมองเหรอนะ จิตปัจจุบันเนี่ยเข้าไปในจิตใต้สํานึกเราจิตเห็นจิตจิตปัจจุบันถูกปรุงแต่งแล้วนะเราถูกตั้งชื่อว่าเราชื่อบัญชาจิตปัจจุบันก็หลงว่าเราเป็นบัญชาแล้วก็ก็สอนว่านี่ตัวลูกนะลูกนี่ตัวลูกนี่พ่อนี่แม่นะนี่บ้านเรานี่เงินนะนี่รวยนะมันจะมีความสุข <c oughs> จิตปัจจุบันมันบันทึกสัญญาเนกกลายเป็นคณะสัญญากั้นบังอนัตตา นะจิตปัจจุบันก็หลวงว่านี่ตัวกูและของของกูเห็นไหมถ้าหลงตัวกูของของกูแล้วจะเป็นยังไงเราต้องรับกรรมเราผิดศีลเราเอาของธรรมชาติมาเป็นของเราเราเป็นลักขโมยนะเห็นไหมเรารักขโมยเนี่ยนี่มันไม่ใช่ของเราพิสูจน์ได้ไหมเอาไปเผาดีไหมมันกลายเป็นอากาศธาตุเหลือเป็นธาตุดินไง <c oughs> มันไม่ใช่ของเราเห็นไหมแต่เราไปคิดตูวว่าของเราเหมือนเราเอาแผ่นดินโลกนี่มาออกโฉนวดว่าของเราอันนี้ผิดศีลผิดศีลต้องรับกรรมเพราะเราขโมยของของธรรมชาติเป็นของเรานะเอาแล้วของเราจริงๆอะ่ะจริงเหรอวันที่จะตายเนี่ยหอบที่ดินโฉ น, นนี่ไปด้วยนะ ตอนนี้มึงก็เผาแค่ฉนวเเเนเทียมเผาแค่รถเบนเทียมเผาอะไรไปอย่างเนี้ยนะเห็นไหมล่ะเอาไปด้วยเนี่ยมนุษย์เราผิดศีลพอข้างบ้านเนี่ยขากั้นรั้วเลยมาเนี่ยโกรธทุกข์อีกแล้วเห็นไหมแต่งลงต้องรับกรรมมันไม่ใช่ของเราเราคิดตัวว่าของเรามนุษย์คิดตัวว่าโลกมนุษย์เห็นไหมฉันจะเจาะน้ํามันขึ้นมาใช้เท่าไหร่ก็ได้ ท่นจะทำลายป่าไม้ทำลายอะไรก็ได้มนุษย์ถึงต้องรับกรรมหน่อยตอนนี้แผ่นดินก็ถล่มเพราะเราผิดศีลเราขโมยของธรรมชาติเป็นของเรานะีนะ่แหจิตในจิตจิตเดียวกันนั่นแหละมันหมินเหรียญในคนละด้านจิตปัจจุบันในถูกปรุงแต่งแล้วมันเกิดมาใหม่ๆเรียกว่าจิตเดิมเป็นผ้าขาวผืนหนึ่งมีจุดด่างนิดหนึ่ง จุดด่างนี้คือกรรมเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนลงไปบัญชานะลูกนี่พ่อนะนี่แม่นะเงินเป็นแบบนี้รวยเป็นแบบนี้ความดีเป็นแบบนี้ความสุขเป็นแบบนี้ว่าจะเต็มเลยเป็นกายเป็นจิตปรุงแต่งพระพุทธองค์ไปตัดสู้สิ่งนี้จึงบอกให้เราขัดเกาจิตให้ผ่องใสเมื่อเราขัดเกาจิตให้ผ่องใสแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นจิตหลุดพ้น อยู่ที่ว่าหลุดพ้นระดับไหนนะถ้าหลุดพ้นระดับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันก็เข้าสภาวะจิตเดิมแท้คํ <c oughs> าว่าจิตเดิมแท้เป็นประพัดสอนน่นถ้ามันเข้าถึงตรงนี้แล้วมันจะปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปถ้ามันยังมีกระดาษขาวยังวาดได้ไงใช่ไหมแต่ท้อนี้มันเป็นอากาศธาตุเป็นว่างว่างวาดวา่วาดแล้วก็ไม่ติดไงถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันจะปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปจากจิตเดิมเป็นจิตปรุงแต่ง จากจิตปรุงแต่งเป็นจิตหลุดพ้นจากจิตหลุดพ้นกลายเป็นจิตเดิมแท้นะมันเป็นจิตในจิตจิตปัจจุบันไปเรียนรู้กับจิตเดิมเราเขาจะบอกเราว่าไอ้ที่เธอเข้าใจมันผิดนะไอ้ที่เธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยเป็นของเธอเนี่ยมันผิดนะเราจะเรียนรู้กับจิตเดิมเรานั่นคือตกล่องปัญญาอย่าใช้สมองโง่ของเราไปสั่งจิต ทำไมบางคนถึงได้เห็นอดีตชาติของตนเองและบางคนถึงไม่เห็นอะไรเลยเพราะเหตุใดคะเพราะบางคนเห็นแต่เราก็ไม่เห็นไง <c oughs> ทีนี้เราชอบเปรียบเทียบเลยเห็นไหมเพราะกูต้องบอกกาลิมิตนะบางท่านอยากอยู่ที่นี่ต่อนะนี่โทรมาทุกวันคนที่มีบ้านพักอยู่ที่นี่นะอ้าทาไมคนนั้นอยู่ได้ทําไมคนนี้อยู่ได้ ก็เขาอยู่แล้วได้ไงแต่ถ้าเรามาอยู่ตอนนี้เราจะเสียเข้าใจไหมถ้าคนนึงอยู่คนนึงก็อ้างแบบนี้แล้วให้พ่อครูทำยังไงนะทุกคนถือสิทธิเปรียบเทียบทาไมคนนั้นเห็นอดีตฉันไม่เห็นนะนี่คือมนุษย์เราไงแล้วเปรียบเทียบอยู่ด้วยเมื่อเขาได้ฉันก็ได้สิ <c oughs> กลายเป็นว่าถ้าเราไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์เหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยเลือกที่รักมักที่ชังนะ น้อยใจนะถ้าเราศรัทธาครูบาอาจารย์เขาทาอะไรเนี่ยมันมีในย่าของมันมันเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่เราที่รักมักที่ชังนะแต่ทุกวันนี้ต้องการสิทธิถ้าต่างคนต่างไม่ได้ไม่เป็นไรไงถ้าคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้นี่มีเรื่องนี่คือกิเลสนะมันชอบหาเรื่องอยู่ด้วยนะเอาเป็นว่า <c oughs> ทุกคน ต้องมีสํานึกนะคือมันไม่เหมือนกันหรอกเกิดมาก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมนั่งเวียงปฏิบัติบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไงก็เป็นนานาจิตตังไงนี่คือคําตอบคืนเป็นนานาจิตตังแต่ถามว่าต้องเห็นอดีตชาติไหมตอบว่าไม่ต้องแต่ถ้าเห็นเนี่ยดีไหมไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ทุกคนต้องไปเห็นนะแค่พุโทโธพุโทโธพุโทโธ ตามลมหายใจเฉยๆก็บรรลู้ทำได้แล้วล่ะแต่มันช้าแค่นั้นเองอการเข้าไปเห็นอดีตเนี่ยมันจะเป็นการล้างอุปท า, านเรายิ่งคนไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญกุลโทษแต่ถ้าคนไม่ไม่มีข้อกังขาแล้วศรัทธาอดิตก็ไม่ต้องไปเหตุไงเพราะคูเองสามชั่วโมงนั้นไม่เห็นอดีตอยู่ปัจจุบันตลอดอยู่ปัจจุบันตลอด เห็นกระบวนการทำงานของร่างกายชัดเจนเห็นกายเวทนาจิตธรรมนะบังเอิญบุญเยอะมากที่ไม่รู้เรื่องภาษ า, าศาสนาไม่รู้หลอักอายตนาภายนอยอยตนาภายในวิญญาณหกขันห้าไม่รู้แต่มันเห็นหมดถ้ารู้เมื่อไหร่เอ๊ะนี่เรียกว่าอะไรวะนี่เรียกว่าอะไรวะพลังแฟบเห็นทั้งหมดเลย <c oughs> แรงมากนะหลังจากระเบิดปึ้ง เห็นไหมเกือบยี่สปีไม่ต้องอ่านหนังสือแต่หลังจากเอาไปบรรยายถูกยิงคำถามมานู่นนู่นนี่นี่ไม่เป็นไรเมื่อเราจะไปให้เขาเนี่ยไม่ว่าก็เขาสงสัยไงพรากูก็มานั่งอ่านหนังสือได้มันเป็นแค่ชื่อสมมุติมันไม่ยากหรอกไอความรู้แบบในปะตติบุดกในหนังสืออะไรเนี่ยใครๆก็อ่านได้อยู่ที่ว่าอ่านแล้วจะเข้าใจแค่ไหน เห็นหมเพราะกูก็มาอ่านดูที่หลังมันก็เป็นชื่อสมมุติเรียกสภาวะนั้นๆ น, น, นะเราก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ทีนี้พอเราถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะรีวายไปดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปได้นะแต่ทีนี้มันไม่สงสัยอะไรเราจะไปดูอะไรล่ะก็ไม่ต้องดูอะไรเราเห็นแล้วยังต้องมาเสียเวลาเวียงทิ้งทำไมอยากเห็นนักเหลอ เห็นไหมคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเหมือนคนอยากไปเมืองนอกอยากอยากไปพอไปถึงปุ๊บนี่ก็อยากกลับอยากกลับเป็นโฮมซิกเนี่ยคนไปรลยลึกชาติแล้วลึกจนมันไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยเบื่อเบื่อก็ออกมาไม่ได้คนอยากเข้าก็เบื่อเบื่อเข้าไม่ได้สักทีหนึ่งอย่าไปเปรียบเทียบนะเขาเห็นทำไมฉันไม่เห็น ก็มันเป็นนาน า, นาจิตตังมันไม่เหมือนกั น, นแปลว่าเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีนะก็ไม่ต้องไปติดใจมันช่วงนอนตายให้ดูอะไรคะดูความตายยังไงไม่เข้าใจคะ่ะให้นึกถามตามที่พวกกูบรรยายใช่ไหมคะเช่นอีแรงจะมาจิกกิน อ, อ, อะไรตัวหน้าสังเวชอะไรเนี่ยนะ เรามาพิจารณามราณุสติเราคิดถึงความตายว่าเออถ้าเราต้องตายเวลานี้เนี่ยเราพร้อมไหมแล้วเวลานั้นอารมณ์ทุกคนต้องไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันถ้ามันไม่เห็นอะไรก็อยู่ที่ไม่เห็นอะไรนั่นแหละนะถ้ามันเห็นอะไรก็อยู่ที่เห็นอะไรนั่นแหละก็จบอยู่แค่นั้นอย่าไปปรุงต่อนะอารมณ์เราแต่และชั่วโมงแต่และวันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกัน จิตมันรู้ว่ามันต้องเอาอะไรเนี่ยให้จิตปัจจุบันเนี่ยมาพิจารณานะมันรู้ว่าจิตปัจจุบันเนี่ยขัดข้องอะไรติดใจอะไรเหมือนพระพุทธองค์เนี่ยขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตไปปรดพระมารดานี่ยแหละพระองค์รู้ว่าจิตดวงนี้ติดอะไรพระองค์ก็ปรดปล่อยแค่นิดเดียวปิ้งก็ไปแล้วนะอันนี้ เราดูตัวเองนะขอให้มีสติรู้ว่าเวลานั้นอารมณ์เป็นยังไงก็ดูมันแต่คำว่ามรนานุสติเนี่ก็คือว่าคือเตือนสติเราว่าเราลองลองเตือนว่าถ้าเวลานี้เราต้องตายเนี่ยเราพร้อมไหมยังติดอะไรอยู่บางคนนองร้องไห้เลยห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินชนินทานห่วงอนาคตเดียนมาจบยังไม่ได้สร้างอนาคตเลยก็มาบวชแล้วเนี่ยนะ เห็นเราจะเห็นเลยว่าเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยเราเห็นแต่คิดแต่เรื่องสร้างอนาคตนะครับมันไม่ใช่ความตายไม่ใช่ตัวเป็นตนไปดูความไอตัวตัวเรียกว่าความตายมันไม่มีตัวตนหรอกดูอารมณ์นะดูอารมณ์ดูอารมณนะ์มมเนี่ยแหละดูกายเวทนาจิตธรรมร่างกายมันมันมันนอนตายอยู่มันแสดงของคนตาย แล้วมีอเวทนาปัจจุบันอย่างนี้ยังไงแล้วจิตมันรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอ้ทำมะลงข้างในบางทีมันก็โผล่ขึ้นมานะมาสอบจิตปัจจุบันนะบางทีเราเผอลอเราก็จะร้องไห้ออกมาเลยนะช่วงอรียบทสตอนนอนจะรู้สึกว่ามีความร้อนทั่วร่างกายเหมือนดังไฟอยู่บนเตาค่ะทําไมถึงเป็นเช่นนั้น และสิ่งที่เกิดขึ้นจะค่อยลดลงไหมคะถ้าทําวิธีของพ่อครูไปเรื่อยๆค่ะนะเห็นไหมเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ว่าถามว่าทําไมแล้วจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงมันจะลดลงหรือเปล่าเห็นไหมอยากรู้อยากเห็นตลอดอยากรู้อะไรล่วงหน้านะสักแต่ว่ารู้มันร้อนเราก็รู้อย่าไปร้อนตามมันนะถ้าเรารู้เฉยๆปุ๊บ ความร้อนก็ไม่จีลังยั่งยืนมันเกิดมันก็ดับความสงบเกิดขึ้นเราก็รู้อย่าไปหลงมันอย่าไปติดสงบนั้นเดี๋ยวมันก็ดับนะความไม่สงบเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันไม่สงบนะสักแต่ว่ารู้อย่าไปไม่สงบตามมันนะเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็ดับเราจะเข้าถึงสัมผัสความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเห็นตัวเกิดดับ เห็นตัวรูปนามเราปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยไม่ใช่ให้เห็นโน่นเห็นนี่แต่เห็นนิมิตนั่นคือว่าจิตเดิมมันสร้างนิมิตมาเพื่อสอบจิตปัจจุบันว่าสักแต่ว่าเห็นไหมถ้าเราสักแต่ว่าเห็นเนี่ยเป้าหมายของวิปัสนาไม่ใช่ให้รู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกอย่างเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาคือเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์เท่านั้นเองส่วนเห็นสวรรค์เห็นอรุณเนี่บางทีโอ้เห็นสวรรค์เนี่ไม่ ไม่ยอมสักแต่ว่าเห็นนะกอดมันไว้เลยมีความสุขไปสุ่กับมันละเห็นนระกพยายามจะผักใสไล่ส่งมันเนี่ยเห็นไหมเราไม่สักแต่ว่าเห็นก็ดาเนินไปเรื่อยๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองมันเป็นปัจจตังเวทิตะโภวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนที่พ่อครูพูดถึงธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเรื่องใกล้ตัวธรรมะคือเรื่องในตัวธรรมะคือเรื่องในตัวคืออย่างไรคืออะไรเป็นแบบไหน <c oughs> นะมีแต่ question question ชีวิตเราเนี่ยพวกคูบอกแล้วมนุษย์เราเป็นสิ่งเดียวที่แสวงหาความหมายเราไม่เคยพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะไอทําไมก็เกิดนิวรณตัวลังเลสงสยัย มันเป็นบ่วงดึงจิตเราไว้ไม่ก้าวหน้าเพราะเราอยากรู้ล่วงหน้าเรามีความอยากรู้แล้วก็ไปคุยโม้โอ้อวดต่อเนี่ยนะมีแต่ขยะความรู้นะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละนะไม่รู้จะรู้ไปทำไมนะแต่เรายังสู้ความอยากรู้ไม่ได้ไงเพราะเรากลัวเรากลัวว่าเราจะทาผิดไหม เรากลัวว่าเราจะหลงทางไหมเรากลัวว่าเราจะบรรลุธรรมทันไหมความกลัวทําให้เสื่อมถ้าเรามีวิธีตายตัวเนี่ยนะเราอาจจะทําผิดวิธีอาจจะทําถูกวิธีแต่ถ้าจิตมันทําเองแล้วเนี่ยมันไม่มีวิธีมันจะถูกผิดได้อย่างไรเรารู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยว่าอารมณ์เวลานั้นน่น อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละให้รู้เท่าทันมันนะธรรมะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่อินเดียหรือวกเขาเหิมอลไรนะออธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาไม่ได้อยู่ใกล้ตัวด้วยเมื่อกี้พูดใกล้ตัวปุ๊บจิตมันก็ระลึกรู้ไปถึงหลายปีก่อนพระคุณเจ้าอายุเก้าสิบกว่าออท่านทุดงมาเนี่ยท่านจะไปลาวท่านก็มาค้างแลมที่นี่คืนหนึ่ง เพาะคูก็ถามตาว่าหลวงตาหลวงตาเหาะมาหรือเปล่าท่านบอกไม่นั่งรถมาถึงปากทางก็เดินมาหลวงตาอย่าแก้งลืมนะเออรถหลวงตานั่งมาเหยียบมดตาทั้งหลายตัวไม่รู้ไสเดือนไม่รู้กิ่งเกือเห็นไหหลวงตาเดินมาบางทีสัตว์หลายกระตายน่หลวงตาแต่หลวงตาไม่ได้ทำเลยท่านไม่มีเจตนานะทีนี้พระครูบรรยายคืนนั้นเรื่องศีล ท่านอุทานออกมาเกือบตายเปล่าบวชมาตลอดชีวิตนะนะท่านมาดูจากคำว่าศีลที่นี่โอ้ท่านมาธรรมะมันลึกซึ้งมากเลยยากที่จะเข้าถึงเนี่ยหลวงตาเข้าใจผิดไงนะหลวงตาบอกธรรมะหลวงตาก็มองเข้าไปข้ามข้าบัวธรรมะไงมันก็เลยไม่เห็นธรรมะธรรมะมันไม่ได้ลึกซึ้งมันธ ร, มธรรมดาธรรมดาแต่มันแยบยน มันเป็นเส้นผมบางภูเขาเห็นไหมเราไปตามหาธรรมะนู่นน่นมันดึกซึ้งนะไกลไกลเลยนะไม่มองอะไรตามความเป็นจริงธรรมดาธรรมดานี่ไงนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ไกลตัวไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่ข้างในแล้วก็คือว่าเราเห็นทำรรด้วยจิตเราด้วยจิตเราคือทำมาจากเนี่ยทำมาจากกับปวัตนสูตรนะรำมาจากนะเราเห็น ทำด้วยจิตข้างในจักสุขข้างในไม่ใช่ตาเนื้อไปมองเห็นนะอย่าไปแสวงหาธทมนอกกายที่นะี่มันอยู่ข้างในไปเรียนรู้กับอาจารย์เราคือจิตเดิมเราหนูรู้สึกว่าจิตที่แสดงออกมาตามอริยบทต่างๆเป็นไปเพื่อรักษาอาการปรวดเมื่อยของร่างกาย ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปจนกว่าร่างกายจะหายดีก่อนแล้วจึงจะดำเนินขั้นต่อไปใช่ไหมคะคำตอบคือไม่เสมอไปนะบางทีก็าทำตรงนี้ระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปโปรแกรมอื่นเพราะโปรแกรมอื่นนั้นเชื่อมโยงกับโปรแกรมนี้นะ้บางทีก็กลับโปรแกรมนี้อีกได้เห็นไมเพราะเราแกะเชือกที่ผูกอยู่บางทีเราก็ดึงมาทางซ้าย บางทีก็ต้องดึงไปทางขวานะจิตเขารู้เองว่าจะทำอย่างไรนะไม่ใช่หายปุ๊บหายไปเลยนะนะมันวางมันไปอย่างอื่นก่อนไปสาสางตัวนั้นตัวนั้นมันเกี่ยวกับการปลดเงื่อนตัวนี้ด้วยแล้วตัวนี้ก็ต่อยอดอีกนะไม่ใช่ไปเรียนป .1 จบไปถึงป .2 ออป .2 ออจบไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นนะก็